อิเมโคปนายัะมันโตสตาทิกรนาสมาธาธรรมมาปุตเตสั่งอากชันเตอุปปนุปปนาหนังอธิกรนอหนังสมาธายะอุปสมายะสมุขาวินโยดาตัมโบสติมินโยดาตัมโบอมุลละวินโยดาตํมโบปติญญาตะการนงเยปุยสิกาตะจปาปิยติกาติมาวัฏฐะรโกติ อุดิต tha โคอายะสมันโตสตาติการณะสมาธาธรมมาตถายะสมันเตปุชามิกจิตาปริสุทธาดุติยังปิปุชามิกจิตาปริสุทธาตติยังปิปุชามิกจิตาปริสุทธาปริสุทธถ์ธายะสมันโตตัตสมาตุนนีเอวะเมตังทารยามิ อุดิตทั้งโค อ, อาจัสมันโตนิดานังอุดิตาจตารโอปาราจิตาธรรมมาอุดิตาเตระสะทั้งขาดิเชธาธรรมมาอุดิตาตเวอานิยตาธรรมมาอุดิตาติงเสนจิกิอาปาจิติยาธรรมมาอุดิตาตเวนวติปาจิติยาธรรมมา อุดิตธาจตาโรปาตนเดสนียาธรรมมาอุดิตธาเสกกิยาธรรมมาอุดิตธาจตารธิกรณาสมาธาธรรมมาเอตกันตสาภะวะโตสุตตะจังสุตตะปริยาปันังอันวัฏมาสังอุเดสังกาจะจเตสัทธาสเบเหวะสังเกหิสมโมดมาเนหิอวิวัตมาเนหิสิกิตัมบันติภิกขุปาติโมขังนิทิตัง